วันนี้เป็นวันต ว, วราณาของพวกเราท่านทั้งหลายการจำพรรษามาปีพศสองพัห้ารอสี่ิบเจ็ดรอบถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเป็นวันเปิดเผยให้หมู่เลื่อนว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้เป็นกฎระเบียบภวินยัยที่พระพุทธเจ้าทรงมันจัดไว้สำหรับให้พระสงฆ์ ปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ถ้าหากว่าพระสงฆ์ที่อยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันไม่มีสิทธิ์ที่จะว่ากล่าวตักเตือนกันได้ก็เป็นเรื่องที่อึดอัดพอสมควราะนออนั้นพระพุทธเจา้าจึงวางพระวินัยเอาไว้เรื่องสินของพระคือถ้าจะวางคือวางกฎหมายเอาไว้ ให้พราสงฆเมื่อจำพรรษาครบรอบสามเดือนแล้วก่อนจะแยกย้ายออกจากกันให้มีการภรวนากันไว้เกาะเพราะว่าความผิดนั้นไม่ได้อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้ว่าผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้น้อยสามารถทำความผิดได้ผู้ใหญ่ประทำความผิดได้เพราะนั้นการอยู่ร่วมกันก็ต้องมอง ความดีความชั่วมันกระปะปนกันอยู่ไม่มากก็น้อยแต่เจ้าไม่ให้ผิด เ, เลยก็คงเป็นไปไม่ได้ว่าการผิดนั้นผิดโดยเจตนาหรือว่าอไม่เจตนาอันนี้ก็ต้องดูอีกประเด็นหนึ่งแต่ถ้าว่าเจตนาอันนั้นเป็นเรื่องใหญ่ถึงจะทําผิดเล็กน้อยก็เป็นเรื่องใหญ่ พอออกมาจากใจิตใจโดยเจตนาแต่ถ้าว่าไม่เจตนาถึงจะเป็นเรื่องใหญ่ทําด้วยความไม่รู้ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าว่าทํำมาไม่รู้จะเลยก็ไม่ได้ก็ต้องศึกษาต้องศึกษาแต่ถึงยังไงก็ตามครั้งแรกหนึ่งก็ต้องยินดีให้อภยัย ขาว่าไม่หนักหนาจนเกินไปแต่ถึงยังไงเขาบอกข้าไม่เจตนาข้าไม่รู้พูดอย่างนั้นไปเรื่อยไม่ได้สิ่งใดไม่รู้เราก็ต้องศึกษาเราก็ต้องค้นฟ้าเราก็ต้องไปถามอันนั้นคือบทบัญญัติเราจะว่าไม่รู้อย่างเดียวไม่ได้แต่ว่าการเจตนาในเรื่องนี้ให้ข้าบอกไม่เจตนาที่จะทำเพราะไม่รู้จริงๆ แต่ว่าไม่ใช่อาบัดใหญ่เป็นอาบัดเล็กน้อยอันนี้เราก็ควรเปี่ยใยแต่ถึงยังไงก็ตามการเจตนาหรือไม่เจตนานั้นทำความชั่วนั้นเสียหายไหมสิ่งที่เสียหายก็ต้องเสียหายเหมือนกับเราคว่างก้อนดินไปก้อนหินไปท่อนไม้ไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนนั่งอยู่ตรงนั้นแต่เราขวางไปโดยไม่เจตนา แต่พ้อนคอนดีนั้นไปตกถูกหัวคนนั้นมันจะเจ็บไหมเจ็บกับเจตนาไหมหรือไม่เจตนามันก็เจ็บเท่าๆกันสุดแท้กั บ, บการเวี่ยงค่อยเวี่ยงแรงแต่ถ้าว่าเร า, เ, ราเวียงแรงมันก็เจ็บอย่างเก่านั่นแหละไม่แท้กันเจตนาหรือไม่เจตนาเพราะฉะนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเจตนาหรือไม่เจตนาก็สุดแท้แต่เหตและผลนั้ น, น, น แต่ว่าความผิดของผู้กระทํานั้นเบาลงเพราะไม่เจตนาอันหนึ่งเราเห็นคนแล้วเพียงเข้าไปอันนั้นเจตนาแต่นี่เราไม่เห็นแต่เราเเพียงไปแต่คนที่ถูกพรอนก้อ น, อนหินนั้นเก็บแต่ว่าโทษคนที่เเี่ยงไปนั้นไม่หนักเพราะเหตุใดเพราะไม่มีเจตนาว่าคนอยู่ที่นั่นเป็นแต่ว่าความบกพร่อง ขาดความบกพร่องถ้าว่าเป็นโทษทิ้งไหมหรือโทษปรับหรือจำคุกก่อนรู้สึกว่าจะผ่อนลงอันนี้คือในพระวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีหลายสิขาบทเกี่ยวกับเจตนาเป็นหลัจกจะเป็นส่วนมากทีเดียวในพระวินัยแต่มีบางสิขาบทเจตนาหรือไม่เจตนาก็เป็นความผิด อย่างที่สุกลืนกินอาหารในเวลาวิการตั้งแต่เพี่ยงแล้วไปถึงจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามอันนั้นเป็นอบัติปาจิตติเท่ากันท่านบอกว่าต้องระวังสมมติว่าเราใช้แก้วใบนี้แต่แก้วใบนี้มันเปื้อนด้วยอาหารแต่เราไม่ได้ดูเราไม่ได้ล้างก่อนเราดื่มด้วยความประมาทเราดื่มไปเลยอาหาร ร่วงไปในลำขออันนี้เป็นอาบัติวันนั้นคิดฆ่าบทบางคิดฆ่าบทถึงจะเจตนาหรือไม่เจตนานะก็เป็นอาบัติแต่โดยมากจะเจตนาเป็นส่วนใหญ่วันนั้นการอยู่ร่วมกันอย่างที่กล่าวเบื้องต้นบางทีก็ไม่เจตนาที่จะให้กระทบกระเทือนมู่เพื่อนกันแต่ว่ามันกระทบกระเทือนไปแล้วเพราะขาดความ สำรวมกัดการพววงขาดความประคอเพราะนั้นท่านจึงให้ขอวารณาตัวในท่ามกลางสงถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายเห็นการกระทาของผมด้วยกายด้วยวาจาหรือลังเกียดทางจิตใจว่าท่านอาจารย์คงเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฐิซะแล้วในเรื่องนี้เพราะรับทําคำสั่งสอนไม่เป็นลักษณะอย่างนี้แต่ท่านอาจารย์พูดกล่าวอย่างนี้ คงจะผิดในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะพูดกล่าวเองก็ไปนิมนต์ครูบาอาจารย์หรือว่าผู้ที่ท่านครูบาอาจารย์ที่เราเคารพ ร, รักนับถือมาช่วยว่ากล่าวตักเดือนอันนี้เป็นการประพฤติชอบในขณะที่เราอยู่ร่วมครูบาอาจารย์ที่ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ แต่ถ้าหากว่าเราพอจะแนะนําหรือว่ากล่าวกล่าวเรียนท่านได้เราก็กล่าบเรียนท่านแต่ท่านโอกาสครับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์คิดอย่างนี้อทําวินัยเป็นอย่างนี้มันจะไม่ผิดกับหลักเหลือครับผมถ้าท่านสํานึกสำเนียกได้ก็เป็นการดีอันนี้ก็คือการว่ากล่าวตักเตือน ที่เป็นผู้มีอายุพัรษาทิ่อาวุโสกว่าเราท่านเราจะไม่กล่าวโดยตรงๆหรือว่ากล่าวด้วยเความถูกต้องมีอยู่แล้วเราพูดตรงๆไปเลยท่านอาจารย์ทำนี้ไม่ถูกนะอย่างเนี้ยไม่ได่าในพระวินัยมันเสียเสีย อ, อีกตรงคือขาดความเคารพในอาวุโสพันเตเพราะฉะนั้นต้องขอโอกาสการเรียนชีน้นา อันนี้คือคพอผูวินัยแต่ส่วนครูบาอาจารย์ที่จะสอนสิทธิ์นั้นท่านเปิดโอกาสให้ให้พร้อมที่จะว่ากล่าวตักเตือนสิทธิ์ย้ำสิทเพราะว่าผู้เข้ามาศึกษามอบตัวเป็นสิทธิ์แล้วครูบาอาจารย์ก็มีสิทธิ์ที่จะว่าเก่าวตักเกตือนสั่งสอนถึงจะหนักเบาก็คือเป็นหน้าที่ว่าเกา่าตักเกตือนสั่งสอนแต่ว่าการว่าเกา่าตักเกตือนสั่งสอนนั้น จะให้ครูบาอาจารย์ว่าอย่าดุดาข้าพรเจ้านะอต้องพูดอย่างนี้อย่างนี้เป็นไปไม่ได้อเหมือนกับครูบาอาจารย์หรือว่าพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบกับช่างหม้อที่ตีหม้อที่ตีหม้อหรือทาให้เป็นหม้อเป็นโอ่งขึ้นมาอย่าไปบอกว่าช่างหม้อต้องตีค่อยๆนะอย่างนั้นไม่ได้สุดแท้แต่ช่างหม้อเขาจะเอาลงตัวไหนแรงเอาลงตัวไหนค่อย ไอ้ตรงไหนที่มันค่อยจะไปะตีแรงก็ไม่ได้ไอ้ตรงเสีที่จะมันตีแรงจะไปะตีค่อยก็ไม่ได้เพราะนั้นสุดแท้แต่ช่างพูดจะตีอันนี้พระพุทธเจ้าท่านกับเปรียบเทียบให้ฟังหลวงปู่มั่นท่านกับเปรียบเทียบว่าเหมือนช่างตีเหลก็กเมื่อช่างตีเหลก็กถ้ามันจะเป็นรูปเลื่อมขึ้นมาแล้วจะไปะตีแรงขก็ไม่ได้เสียแต่ถ้าว่ายังเป็นเหล็กหลากอยู่เราจะไปะตีค่อยมันจะเป็นเหล็กเป็นมีดเป็นพระได้อย่างไร ก็ต้องใช้การภุมมแรงตีให้มันขณะที่มันนอนทอนมันจะเป็นมีดเป็นผ้าดาถ้าตีไปแล้วตีไปตีมาไม่สามารถที่จะเป็นมีดเป็นผ้าได้เป็นเหล็กที่เริ่องของังินเป็นเหล็กอ่อนอเป็นเหล็กไม่มีคุณภาพจะทำอะไรก็ไม่ได้ตีแล้วก็แตกตีแล้วก็โคตไปพดมาผลที่สุดเป็นอะไรเหมือนกันโยนทิ้งเขาปาก อันนี้ก็เหมือนกันการสอนกิจยญาณสิทธิ์ของครูบาอาจารย์ก็ลักษณะอย่างนั้นนะครูบาอาจารย์จะต้องดูปวนิสัยของสิท์แต่ผู้ผู้เข้ามาศึกษาเราจะพูดว่ากล่าวสั่งสอนอย่างไรมากน้อยแค่ไหนเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์เหมือนกับช่างเหล็กที่จะตีเหล็กเล่มนั้นให้เป็นมีดเป็นท้าให้เกิดประโยชน์ใช้งานใช้การต่อไป แต่สิ่งไหนก็ตามท่านว่ามันจะเสียหายเราจะไปตีมันก็ไม่ได้เพราะว่านั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านจะเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วท่านต้องหมอกต้องดูต้องรู้จักอุปนิสัยของสิทธ์แต่ละคนถ้าว่าอุปนิสัยสิทธ์แต่ละคนอยาบชายจะไปพูดแบบค่อยๆไม่ได้ต้องเอาให้แรงเพื่อจะได้เกล็ดลับ แต่ถ้าความ น, นิสัยเขอ่อนอยู่แล้วเชื่อฟังอยู่แล้วก็ไม่ควรจะดูด่าว่ากล่าวเขาทําให้เสียหายได้อันนี้เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์แต่และองค์ที่จะว่ากล่าวแนะนำสั่งสอนผิทธยานุสิทธิ์ของตนเองสิทธิ์ยานุสิทธิ์จะไปบอกว่าให้ว่ากล่าอย่างนั้นสอนอย่างนี้ชอบอย่างนี้เราชอบอย่างนั้นไม่ได้ผิดระเบียบผิดกฎประเพณี มาตั้งแต่ครั้งพุธธทธเจ้าเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านประนามพระสงฆ์เราดูสิในพระไตรปิฎกเวลาประชุมสงเสร็จแล้วถ่าววอกพระสงฆ์กระทำความผิดท่านก็ต้องบอกว่าโมฆะพิสุโมข้าบุทุษท่านทำมจึนทำอย่างนี้ไม่เป็นที่เลื่อมใสของบุคคลที่เลื่อมใสอยู่แล้วไม่เป็นที่เลื่อมใสของบุคคลที่ยังไม่เลื่อมใสท่านทาตัวไม่ดี ทำให้เสียหายเป็นโมฆะทุกขุเป็นผู้กล่าวประโยคอันนี้คือได้ยินบ่อยๆเกือบทุกครั้งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเท่าที่ไหนพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดแบบทนุถนอมบางทีก็ขณะาบางทีก็พูดทนุถนอมก็มีกันสุดแท้แต่แต่ละองค์ว่ามีอุปนิสัยอย่างไรอันนี้ก็คือ พูดแนวทางการแนะนําสั่งสอนในหลักของพระพุทธศาสนาแนะนำสั่งสอนพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทําไมจึงพูดถึงเรื่องการแนะนําสั่งสอนเพราะว่าเกี่ยวกับการปภาวณาอย่างวันนี้ปภาวณาก็หมายความว่าปภาวณาตนเองในท่ามกลางสงฆถ้าหาว่าต่อไปภายภาคหน้าพ้นจากวันนี้ไปแล้ว หมูพคกเพื่อนจะว่ากล่าวตักเตือนก็ให้จํานึกอไปอยู่เสมอว่าเมื่อออกพรรษาเราได้ภารณาไว้แล้วกับสงในเมื่อสงว่ากล่าวตักเตือนแล้วหมูโคกเพื่อนว่ากล่าวตักเตือนเพียงแค่นี้เราก็ควรจะจํานื้อําเหนียดตัวเองว่าการกระทําของเราที่ผ่านมานั้นมันเป็นอย่างไงมันถูกต้องไหมถึงจะหนักเบาเราก็ต้องยอมรับถ้ามันถูกต้อง ตามหลักธรรมวินัยวันนั้นสรุปแล้วก็คือให้ลดทิฏฐิคือความเห็นมานะคือความแข็งกระด้างทิฏฐิคือความเห็นพยายามให้เห็นไปในในแนวแถวเดียวกันถ้ามาตัวเองเห็นผิดก็เรียบมุงกบเคลื่อนม่างลึกภูบายจาเข้าไปกราบภูบายจานันแล้วก็ถ่ายถามว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นอย่างไงเมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างไง ก็ต้องทำความเข้าใจซึ่งกันและกันต้องอ้างเหตุและผลมาให้ฟังถา้ง า, าผู้บ่ายจันผูดถักล้างไม่ได้เราก็ยังไม่ยังไม่สนิการถึงจะไม่สนิทใจก็ตามเพราะสิ่งเหล่านั้นอาจผิดหรือถูกเราก็ไม่มั่นใจเราก็ต้องฟังไปอีกต้องถามใครให้หลายๆายคนต้องอ้างหาเหตุผลมาหากล้างตัวเองแล้วก็ถามหลายๆอายคอันนี้คือทฤษฎี ค, คือความเห็น บางสิ่งบางอย่างบางครั้งกระทำให้ไม่ยอมไขง่ายๆเหมือนกันแต่ถึงยังไงก็ตามหลักใหญ่คือหลักของพุทธศาสนาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นขีดเช่นบันทัดไปแล้วเราจะข้ามเกินไม่ได้จุดนั้นแต่เรื่องคิดผิดหรือความเห็นส่วนตัวนั้นมันมีมันมีแต่ละคนแต่ถึงยังไงก็ตามเราต้องถามใครว่าเรื่องนั้นเป็นยังไไม่ใช่ว่าเรา แต่ยินหัวบ้านท้ายบ้านองค์นั้นองค์นี้พูดเราก็มาตีลกูปไปเลยว่ามันไม่ถูกจากนั้นเราก็ปักจิตปักใจมีอารมณ์อยู่ในใจอันนี้ไม่ถูกบางทีคนที่พูดออกมาอาจจะเห็นผิดก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทักไซส์แรงยิงถามไถ่ให้เข้าใจในเมื่อถามไถ่เข้าใจแล้วมันเป็นอย่างไออถ้าว่า ไม่เป็นที่โลงใจเราคอพยายามถามเมื่อถามไม่ลงใจเอาอยู่ไปก่อนพักไปก่อนเรายังไม่มั่นกใจจะต้องก็ถามอีกแต่ทิ้งทุกอย่างไม่เหลือวิสัยถ้าเราต้องการหาหาหลักเหตุและผลแต่ถ้าว่าคนจะทะเลาะวิวาทกันแล้วนั้นจะไม่มีที่สิ้นสุดผิดเรื่องหนึ่งมันกนเเนเน็เอาเรื่องหนึ่งผิดเรื่องหนึ่งเอาเรื่องหนึ่งเอาเรื่องหนึ่งแล้วเอาเรื่องหนึ่งมาอีกมันก็มีเรื่องจนดา อันนั้นคนหาเรื่องที่จะทะเลาะวิวาทกันแต่ถ้าว่าคนไม่อยากทะเลาะวิวาทกันแล้วต้องหาเหตุผลลงกันได้อันนี้คือหลักพระธรรมคําต่างๆ ส, ส่วนมานะคือความแข็งกระด้างเราต้องอ่อนน้อม่อมตัวเราอยู่ในสถานะไหนให้รู้ประมาณตัวการสถานที่บุคคลบุคคลคนนี้เป็นอย่างไง อายุพรรษาเขาท่านเป็นยังไงเป็นปูนอาจารย์หรือเป็นปูนเพื่อนหรือเป็นปูนลูกน้องหรือเป็นปูนไหนอันนี้เราก็ต้องอ่านให้ออกให้รู้จักการสถานที่ว่าคนพูดในที่ชุมชนชุมนุมอย่างไรควรจะว่ากล่าวอย่างไรควรจะพูดอย่างไรให้แก่ใทเอ่อฟังควรจะวิจารณ์เรื่องอะไรสิ่งเหล่านี้ เราต้องได้คิดทั้งหมดเพราะเราอยู่ในชุมชนเราอยู่ในสังคมเราจะพูดแบบไม่รับผิดชอบไม่ได้คนนั้นการที่จะพูดกล่าวอะไรก็ตามจะออกจากปากของเราต้องระมัดระวังนะอันนี้ก็คือการอยู่ร่วมกันรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักผู้ใหญ่รู้จักผู้น้อยรู้จักสิ่งควรไม่ควร ถ้าว่าเราทําอย่างนั้นได้แล้วาการอยู่ร่วมกันมีแต่ความร่มเย็นผ้าสุขอย่างเมื่อเราเป็นพระวาตอย่างพระใหม่เมื่อราสิราิศกษาไปแล้วเราควรทําอย่างไรในการเป็นพระวาตก็เคยพูดให้ฟังว่าพราวาตควรทําตัวอย่างไรนะควรวับพระวัตรถถามเรายึดหลักทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกระจกส่องเงาอยู่ตลอด การสัมมเเทเมาอบายยมุกทุกประเภทอันนั้นเป็นหนทางแห่งความิบหายอันนั้นเราควรจะสำรวมระวังอย่างยิ่งสำหรับเราที่จะดำเนินชีวิตไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นถึงใครจะเป็นยังไงก็ตามแต่ข้าพเจ้าหรือเราจะไม่ทำอย่างนั้นเด็ดขาดเราจะเป็นคนดีเราจะมดเว้นในสิ่งที่เสียหาย เราจะงดเว้นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมเราจะเดินโดยธรรมแต่เราจะทำอย่างไรได้เราจะทำอย่างไรจรึงจะเข้าสังคมได้อันนี้เราต้องคิดอีกไม่เหลือวิสัยถ้าว่าเราใช้ปัญญาคนเราไม่ใช่จะมีชั่วอย่างเดียวมีได้ชอบกินชอบดื่มอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้แต่เราต้องใช้ ความรู้ความฉลาดความสามารถของเราที่จะเข้ายัางไง mm hmm. จะเข้ากับคนได้ mm hmm. เหมือนกับเข้ากับหมาดุเราจะทำยังไง mm hmm. วัวดุควายดุงูอุ yeah. mm hmm. ขนาดงูจงอางดุ mm hmm. เขาจะจับมาเป็นเพื่อนเอาไปเล่นอะไรได้ mm hmm. เขาทำไมถึงทาได้เพราะเขามีวิธีอันนี้ก็เหมือนกันการอยู่ร่วมกันกับผู้ใหญ่ผู้น้อยหมู่คณะเราก็ต้องมีเทคนิค ตรงไหนที่ควรอ่อนตรงไหนที่ควรแข็งตรงไหนที่การวางตัวอย่างไรเป็นสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องใช้ปัญญาสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายที่จะเอาตัวรอดเมาอยู่ในสังคมชุมชนอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายทุกท่านนั่นแหละผูดท้นี้ทั้งนั้นมาเลยจะเพาะเจาะจงแก่ท่านผู้นนผู้ใดพวกเราทําถูกต้องเป็นธรรมแล้ว ถึงจะเป็นคราวา่าต์ก็มีคว้าสุดทางกิตจะถึงจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าไปที่ไหนไหนก็มีแต่ความเย็นอกเย็นใจไม่ได้พิตกกังวลถึงจะมีมากมีน้อยมีแต่ทุกจนขนาดไหนก็ตามเรายินดีในสมมาณะสารูปเี่ยบิณฑบาตพอฉันเราไม่ตรือดร้อนอยู่แบบพระอยู่แบบพระไปแบบพระนอนแบบพระกินแบบพระถ้าอยู่แบบพระแค่อย่างเดียวสบายร้อยแปดอย่าง ไม่กระตือดูรถไม่เสือกกระเสือกกระสนไม่ถึงร้อยปีก็ตายละตั้งอกตั้งใจไปพฤิิบัตภาวนาะไปเรื่อยๆอันนี้คือเรื่องของพระนะทีนี่พวกท่านทั้งหลายที่เป็นพระใหม่ปีนี้มีหลายหลายโรปที่มาจำพรรษากับผมเมื่อจําพรรษาแล้วก็ไม่มีอะไรนะเี่ยพวกท่านทั้งหลายก็ตั้งอกตั้งใจอย่างที่ผมเห็นเยก็เป็นที่หน้าภาคภูมิใจ ผมขอขอบคุณและขออนุโมทนาอใจจริงจากพวกท่านทั้งหลายที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาและก็เป็นผู้ตั้งใจเแสวงหาบุญกุศลจริงๆตามความสามารถของแต่ละท่านอบางท่านก็ฮอ่อนแอบางบางท่านก็นั้นแ่ะแต่ว่าถึงยังไงก็ตามแต่ถึงยังไงก็นับว่าดีนั่นแหละนับว่าดีเคราะนั้นผมในฐานะที่เป็น อาจารย์ที่เป็นเจ้าของวัดที่รับพวกท่านทั้งหลายเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาผมเองก็ได้ว่ากล่าวสั่งสอนพวกท่านเต็มความสามารถพอว่าดแต่ผมเองก็ไม่ได้ไประชุมเป็นระยะระยะแต่ถึงอย่างไงผมก็คิดว่าตอนเช้าผมก็ได้พูดแนะนําแนวความคิดต่างๆ ให้หมูพวกเพื่อนได้ยินได้ฟังสม่ำเสมอบางทีอาจจะล้ำคาญนก็ได้ซ้ำไปแต่ผมก็คิดว่าจะเกิดประโยชน์สําหรับหมูพวกเพื่อนไม่ครั้งใดก็ครั้งหนึ่งไม่ต้งวันใดก็ต้องวันหนึ่งเนี่ยพวกหมูพวกเพื่อนก็คงจะสํานึกสําเหนียดได้วะครั้งหนึ่งท่านอาจารย์เคยพูดอย่างนี้เคยว่ากล่าวอย่างนี้เคยได้ยินมาอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายก็คงจะสํานึกสําเนียดได้ แต่ถ้าสมมติสมเหตุได้ก็ไม่เป็นไรพบผมสอนหลายหลายคนให้ได้ยินหลายหลายคนพะทําคําสั่งสอนทา่าทว่าไม่มีการว่ากล่าวตัดเตือนสั่งสอนกันแล้วพอทำคําสั่งสอนของพุทธศาสนาของพุทธเจ้าจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้อย่างไรเพราะผมเองผมก็ไปอยู่กับครูบาอาจารย์มาตั้งแต่เป็นสมณะ น, น้อยอามาเป็นครูบาอาจารย์อยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาก็หลายองค์เพราะนั้นผมก็ได้นํา สิ่งที่ได้พบได้เห็นได้เจอสิ่งที่ได้ยินได้ฟังหรือว่าเห็นมาเหมาะสมที่จะว่ากล่าวตัเกเตือนสั่งสอนหมู่พวกเพื่อนที่จะเกิดประโยชน์ได้สิ่งไหนที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แต่บางสิ่งบางอย่างผมอาจประยุกต์มาใช้มันอาจจะผิดเหมืนกับภูบาอาจารย์ที่ท่านว่ากล่าวสั่งสอนก็ได้อย่างผม ไหนพูดตอนเช้าอยู่เนี่ยตอนอื่นไม่มีเวลาลงโคล่า่แตนท่านก็พูดไปเรื่อยของธรรแต่สำหรับผมเนี่ยผมพยายามพูดตอนเช้าอย่างน้อยห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีแต่ตามการอันเหมาะสมอย่เพื่อจะให้หมุกเพื่อนได้รู้ได้เข้าใจอย่างน้อยก่าความเป็นมาของพระหรือกเกี่ยวกับพระวินัยหรือกฎระเบียบหรือในพระไตรปิฎกหรือชาดก อะไรก็ตามที่จะเกิดประโยชน์สําหรับหมูพวกเพื่อนผมก็ได้เอามาแนะนําสั่งสอนให้หมูพวกเพื่อนเข้าพวกเข้าใจอันนี้ผมพิจารณาถึงการแนะนําสั่งสอนของผมแล้วผมคิดว่าผมไม่ได้บกพร่องต่อหน้าที่พราะผมได้พูดหมูพวกเพื่อนฟังทุกวันทุกวันถ้าจะว่าเป็นข้อคิดกับเป็นข้อคิดไปจําวันสําหรับพวกพันทั้งหลายที่เข้ามาศึกษา ทางว่าผมอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าจะพูดอย่างเดียวการเข้ามาศึกษาหลักพระธรรมที่ไหนนั้นเมื่อเข้ามาถึงวัดแล้วทำตัวอย่างไรเห็นหมู่ครูบาอาจารย์พระเนทนทาตัวอย่างไรอันนั้นก็เป็นครูอยู่แล้วเป็นครูเป็นแบบฉบับสําหรับพวกเราจะได้นําไปประพฤติปฏิบัติหรือว่ารู้จักแนวทางของพระอท่าน ชวิตของพระท่านทำตัวอย่างไรท่านอยู่อย่างไรท่านฉันอย่างไรจุดยืนของท่านคืออะไรอันนี้พวกเราไปได้เห็นทางตาจากนั้นก็ได้ยินทางหูหงคือครูบาอาจารย์พวกเพื่อ น, นบอกกล่าวอันนี้ก็คือได้ยินทางหูส่วนจิตใจนห้นก็สําลึกสําเนียบว่าอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรอันนี้ถูกต้องอันนี้ไม่ถูกต้องอันนี้ก็คือหน้าที่ ของพวกเราผู้เข้ามาศึกษาแต่ถึงยังไงก็ตามบางสิ่งบางอย่างที่พวกท่านทั้งหลายเข้ามาศึกษาเวลาสามเดือนอกว่าเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะผิดหรือว่าอาจจะไม่ถูกจับจิตของพวกท่านหรือว่าเป็นที่อึดอัดสาหรับพวกท่านทั้งหลายอันนี้ต้องมีแน่นอนแต่ถึงยังไงก็ตามผมคิดว่าไม่ว่าสถานที่แห่งใด ไม่ว่าข้าราชการครูไม่ว่าข้าราชการตำรวจพ่อค้าประชาชนในสำนักงานกันตักมันต้องมีถ้าคนทํางานด้วยกันแล้วมันต้องมีนิวัดของเราพระทั้งสามสิบกว่ารูปต้กพี่น้องประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผมว่าสิ่งที่มันไม่เป็นที่สบายอกสบายใจสําหรับพวกเราแต่และองค์ต้องมีแน่แต่ถึงยังไงก็ตามเราต้องรู้ว่าโลกอันนี้ต้องมีโลกธรรมแปด มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศขันเสริญสุขมันต้องเกิดขึ้นในตัวของเราทุกทุกทานคนนั้นสิ่งใดก็ตามถ้ามาอยู่ในที่นี่สถานที่แห่งนี้ถ้าว่าเราเห็นว่าเออสิ่งที่เกิดประโยชน์เราก็ยึดถือนําไปไปพัฒน์ปฏิบัติแต่สิ่งไหนที่มันไม่เกิดประโยชน์เราก็ทิ้งมันซะเราไม่ต้องแบกกลับบ้านไปถ้าแบกกลับบ้านไปมันหนักวางทิ้ง อย่าเอาไปเอาไปไปสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมือนกับแมลงปูแมลงผึ้ ง, งไปเอาเกรสรดอกไม้ไปเอาเกรสรดอกบัวนในสระน้ำมันไม่ใช่ว่าจะเอาทั้งใบทั้งดอกมันเอาแต่น้ ำ, ำหอมหอมเอาแต่น้ำวานหวานจากเกรสรดอกไม้มาเรียงรวงรังของหมาอันนี้ก็เหมือนกับเมื่อเราเข้ามาศึกษาในพระพุทธศาสนา ถ้าทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาไม่ดีเเลยใช่ไหมหรือดีจนเราคว้าไม่ถึงจะออกไปไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราคว้าไม่ถึงออกไปไม่ได้แสดงว่าเราโง่ามากไม่สามารถที่ประยุกต์เอาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้แต่นิดเดียวเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ถ้าคําว่าเรามองในแง่นะ่ะถ้ามองในแง่เหตุผลแล้วต้องประยุกตใช้ศีลห้า ที่เราได้ยินได้ฟังศีล ส, สมาธิปัญญาของพรนะพุทธเจ้าเกิดประโยชน์สมหรับเราไ้ยเนี่ยอันนี้เราก็ต้องศึกษาพอศึกษาแล้วก็นัน่นแหละคือเกสรน้นําบานที่เราเอาไปใช้เมื่อเป็นคราวาญแล้วเราก็เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เราควรจะทําตัวอย่างไรเราควรจะคิดอย่างไรควรจะปรับปรุงแก้ไขตัวอย่างไรเมื่อออกไปเป็นคราวาญเราจะทําตัวอย่างไร สิ่งเหล่านี้พวกเราต้องใช้ปัญญาใช้ความคิดถ้าหากว่าไม่มีไม่ใช้ความคิดแล้วไปที่ไหนก็มันไม่เกิดประโยชน์มันขวางไปหมดเ อ, อยู่วัดก็ขวางวัดอยู่โลกก็ขวางโลก่ยไปที่ไหนขึ้นไปท้องฟ้าก็ขึขวางอยู่ท้องฟ้าทำไมเพราะเหตุไรเพราะเราไม่รู้จักปรับปรุงแก้ไขตัวเองเพราะฉะนั้นเราไปอยู่ในสถานที่ใดการพูดทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้พูดให้แก่พูดหนึ่งพูดหดึ ไปพูดาพากรวมว่าถ้าทําอย่างนั้นผิดแน่แน่ถ้าไม่รู้จักปรับปรุงแก้ไขตัวเองแต่ถ้าเรารู้จักปรับปรุงแก้ไขเตัวเองแล้วไปอยู่ในสถานที่ใดดีทั้งนั้นะไปอยู่กับหมาก็ไม่ผิดหมาเไปอยู่กับหูก็ไม่ผิดหูเี่ยไปอยู่กับคนผ่านก็ไม่ผิดคนผ่านพอะรู้จักใช้รู้จักเอาตัวรอดได้แต่เราไม่เป็นอย่างนั้น่ะไม่เป็นอย่างนั้น แต่ว่าเรารู้จักหลบหลบรู้จักหลีรู้จักรักษาตัวอันนี้เข้ามาบวชในพุทธศาสนาพวกเราท่านท่านหลายก็ให้เอาสิ่งที่เกิดประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ในหลักของพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ผมคิดว่าคงจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็ น, น้อยโดยมากจะเกิดประโยชน์มากที่ถูกนั่นแหละถ้าเรารู้จักใช้นะอ ย, ยะ่างเช่นเพียจะเข้ามาโอ้เข้ามาคราวนี้แย่มากเลย ติดคุกสามเดือนกว่าจะพ้นได้ <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนั้นลนะครับแปลว่าการบวชของเราในครั้งนี้แจะว่าเสียหายผลปี้หมดไม่ได้อะไรเลยยังขาดเสียกําลังใจไปอีกต่างหากเพราะนั้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะอย่าให้เป็นอย่างนั้นถ้ามันเป็นมาแล้วก็ไม่รู้นะเอนะแต่ว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เถอะพยายามวะไม่ควรจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเถอะนะนะ ในคืนนี่พยายามปรับปรุงเออในข้าพเจ้าจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นให้เป็นพระที่ดีให้เป็นคนที่ดีต่อไปภายภาคหน้าให้เป็นสมนแบิคนดีของประเทศชาติบ้านเมืองชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราจะเป็นคนพลเมืองดีคนหนึ่งเราจะทำตัวให้เป็นคนดีคนหนึ่งอย่างนั้นมือจริงจะถูกนะอันนี้คือการว่ากล่าว ตักเตือนสั่งสอนกันเป็นเรื่องว่าเป็นเสือบที่มาเป็นครั้งสุดท้ายสําหรับพวกเราจะมาอยู่ร่วมกันแต่สําหรับผมเองผมไม่มีอะไรนะผมขอบคุณและขออนุโมทนาในเจตนาท่านทั้งหลายที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาผมไม่ได้หนักอกหนักใจอะไรทั้งหมดถ้าผมหนักใจผมจะพูดตรงๆเลยเพราะเป็นผมในฐานะเป็นอาจารย์อเป็นผู้ว่ากล่าวพคกพวกท่านทั้งหลายถือนิตรใจากผมอาจาริโยมีพันเตยโหหิเพราะนั้นผมจะไม่ได้เกรงใจ อ, อถ้าว่าจะกล่าวว่าขาวแล้วก็เก็บอกเก็งใจไม่กล้าพูดผมจะไม่เป็นอย่างนั้นผมจะพูดตรงๆหรับรูบร้รับทราบกันแบบสิ่งนี้มันไม่ถูกนะสิ่งนี้มันผิดนะเพราะพวกท่านทั้งหลายกมมาก็เพื่อฝึกหัดดัดนิสัยจะเอานิสัยประวาติมาใช้กับพระไม่ได้นิสัยพระจะคือพระพระเป็นยังไงพวกท่านทั้งหลายไม่เคยบวชจะพะดูดนิสัยยังไงผมในฐานะที่เป็นอาจารย์ ของพวกท่านทั้งหลายบวชมานานผมก็ได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์มานานผมก็ต้องเอาความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามาแล้วว่าเก่าพวกท่านทั้งหลายเนี่เพราะนั้นเราจะไปเก่งอกเก่งใจไม่ได้เนี่ยถ้าเก่งอกเก่งใจรูปหน้าป่าแกมุกกันแล้วพุทธศาสนาจะไปไม่ไม่ถึงไหนหว่างั้นจอดจมได้ไงง่ะเนี่ยเพราะนั้นผมในฐานะที่เป็นหัวหน้า ของวัดผมพูดตามความเป็นจริงและก็ผมเองไม่มีอะไรพร้อมที่ให้อภัยและก็ขอขอบคุณอนุโมทนาจากกบหมูกบเพื่อนพวกองที่จำพรรษาในปีนี้นะเมื่อออกไปเป็นคราวาิแล้วก็ให้เป็นคราวาิที่ดีนะทำมาฮาเลี้ยงชีบดีโอกาสก็เออยังค่อยมาหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์อยู่เออเอา ไปมาหาสู่ตามปกติเนี่ยผมเองผมก็มาเดชถึงสาหนานับอะไรนะไม่ต้องหนักอกหนักใจเนีย่ยสมมติว่าเออวันเกิดท้องอาจารย์เราไม่ได้ไปไม่ต้องหนักใจเราไม่ได้เข้าไปหาท า, านาจารย์นานไม่ต้องหนักใจให้หมูพวกเพื่อนไปที่ไหนก็ตามเนีเป็นครวญก็ให้เป็นครวญที่ดีให้ทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมือง อยู่ที่ไหนเป็นคนดีเพราะเราได้บวชในพุทธศาสนาแล้วได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของผู้ไดเจ้าแล้วได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์แล้วเรานํำทำคําสั่งสอนนั้นๆหรือได้ศึกษานั้นนั้นนาไปปรับปรุงแก้ไขใช้ให้เกิดประโยชน์ในเมื่อเราเป็นครวญแล้วก็ให้มีความรงบเย็นเป็นสุขในสถานที่ตัวเองอยู่เพียงแค่นั้นแหละผมก็พออกพอใจนะผมไม่ได้มุ่งหวัง อะไรจากพวกท่านทั้งหลายเล ย, เลยนี่ยให้พวกท่านทั้งหลายสบายใจนะอืแล้วก็ตั้งอดตั้งใจบําเพ็ญทางศีลภาวนาไม่ถึงร้อยปีตายนี่เองอย่าไปลืมตัวอย่าไปลืมตัวถ้าลืมตนลืมตัวแล้วแปลว่าประมาทความประมาทเป็นคนตายแล้วถึงจะมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายแล้วเพนั่นคือประมาทนะพยายามสร้างคุณงามความดีไปเรื่อย แ่วันนี้ผมก็ได้พูดก่อนที่จะภาวนาก็ได้พูดให้พวกท่านทั้งหลายเป็นที่พอใจไม่ได้ขัดข้องอะไรทั้งหมดพอพวกท่านทั้งหลายเข้ามาบวชก็บอกอยู่แล้วเป็นข้าราชการเป็นพ่อค้าตามกำหนดหมายแล้วก็ลาศิกขากันไปอันนี้มันเรื่องผ่านไปก็ผ่านม า, ผ, า, นมาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่พวกท่านทั้งหลายก็ได้บวชในพุทธศาสนากระพร้อมกันให้อุทิศ่วนกุศลถึงบัณฑไปชน ของปกทันทั้งหลายด้วยพ่อแม่ปู่ย่าตายายปกทันทั้งหลายได้บวชในพุทธศาสนาเพื่อรักษาศาีลได้ภาวนาอในสักอกตั้งใจเต็มความสามารถแต่เราพวกเราไม่เต็มความสามารถปวดมาเล่นเฉยเฉยอุทิศไม่ไ ด, ด้เนี่ยถ้าเราพวกเราบวชเข้ามาด้วยความตั้งใจอุทิศกุศลกุศลได้เพราะเราเป็นเชื้อวงศาคนาญาติเราได้ร่างกายมาจากพ่อจากแม่ปู่ย่าตายายึืบทอดกันมา ดังนั้นเราอุทิศกศลกุศลถึงบันกุศลของพวกเราท่านเหล่านั้นก็จะได้รับบุญกุศลจากพวกเราที่พวกเราลูกหลานได้บวชในพุทธศาสนาหรือว่าเป็นทายาทของพุทธศาสนาะเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าพอเราได้บวชในพุทธศาสนาสามเดือนสามเดือนกว่านะต่อจากนี้ไปก็จะได้ภาวาณากันแนะ